คำว่าบูชาพระเจ้าสิบชาติ อิติปิโสภะว า, าระหังส ม, มาสัมพุตโทนโมกาจะวายพระเตมิโพธิสัตโตพิญโยด้วยเนคัมมะบารมีประจินสีอุบัตบางเกิดเลิศล้ำเรื่องรองรัศมีสีทองฉับพันณรังสี พระเจ้าโปรดสัตว์ตัวโลกโลกีข้ามพ้นทุกข์ขีุนด้วยบารมีอนเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัตเหนือรัตนบัลลัง พระเจ้ า, เาข้ามฟังข้ามด้วยสัมภารแก้วข้ามด้วยสัมภาวทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฟังข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระนานตากุตสลสัมปันโนอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธ นรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ัวโลกโลกีข้ามพ้นทุกข์ขี้พ้นด้วยบารมีอเนกนันตงังพระเจ้าได้ตรัสเนือ้อรัตนบัรลงังพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภารแก้วข้าม้วยสัมภารทองนำสัตว์ลอยหองข้ามพ้นถึง นิจจังข้ามโดยประตูขังข้ามโดยพระอนาตากุศลสัมพันโน อิติปิโสภะวารางสัมมาสัมพุทโตนะโมก้าเาไพระสุวรรณสัมโพธิสัตโตมิญโยด้วยเมตตาบารมีพระจินตสีอุบัติบางเกิด เหนือรัตนบัณลังพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมเภาแก้วข้ามด้วยสัมภาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฟังข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนาตตากุสลสัมปันโนยิทิปิโสภะ พระจินสีอุบัติบ<า>ั ง, งเกิดเลิศล้ำเรื่องรองรัศมีสีทองชับพันนรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีทพผลทุกขีผลด้วยบารมีอนเนกนันตังพระเจ้าทายตรัส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 ติปิโซภะวาอารังสัมมาสัมพุทโตนะโมขจะจวายพระมโหสด โอทิสัตโตพิญโยด้วยปัญญาบารมีพระจินนาสีอุบาตบังเกิดเลิดล้ำเรื่องรองรัศมีสีทองฉับพันรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีขทางปนทุกขกี๊ปนด้วยบารมีอนเนกนหันตัง พระเจ้าได้ตรัสเนือรัตนบัลลังพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภาแก้วข้ามด้วยสัมภาทองน้ำสัตรลอยลองข้ามพ้นถึงฟังขา้ามด้วยพระอนิจจข้าม้วยพระทุกขังข้าม้วยพระอนัตตาคุตลสัมปันโน อิทิปิโสภะขวาระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมกาเจวายพระภูริทัตโพธิสัตว์ปิน ศีลบารมีพระจินนาสีอุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรื่องรองรัศมีสีทองฉับพันณรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ตัวโลกโลกีขามพ้นทุกขี้ีพ้นด้วยบารมีอเนนนั น, ออ น, นตงังพระเจ้าได้ตรันเนือรัตนบันลลัง พระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภารแก้วข้ามด้วยสัมภาทองนำสัตว์ลอยล่องขามพลนถึงฟังข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนัตตาพุทธลาสมปันโล อิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทธโทนะโมขะเจวายพระจันทกคุมาโูติสัตโตินโยด้วยคันติบารมีพระจินสีอุบัติบางเกิดเลิศล้ำเรื่องรองรัศมีสีทองฉับพันณรังสีพระเจ้าโปรด สัตว์ัวโลกโลกี่ข้ามพ้นทุกคขีพ้นด้วยบารมีอันเอก อ, อันตงังพระเจ้าได้ตรัสรัตนบัลลังพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภาวแก้วข้ามด้วยสัมภาวทอง พุตโตนโะโมข้าเจ้าไวพระพรทมณานโพธิสัตพินยโยด้วยเบกขาบารมีพระชินสีอุบัตบัง <c oughs> เกิดเลิศล้ำเรื่องรองราษมีสีทองฉับพันรังสีพระจเจ้าโปรดสัตว์ทัวโลกโลกินา ดา น, นต่งางพระเจ้าได้ตรัสรู้อรตนะบรรลังพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภาวแก้วข้ามด้วยสัมภาวทอ อรหัสัมมาสัม มีสีทองฉับพรรณรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทัวโลกโลกขี้ขมพนทุกขี้พนด้วยบารมีอเนกนันตงพระเจ้าได้ตรัอรัตนบัลลังพระเจ้า โสภควาอาะอรหังสัมมาสัมพุทโทนโมขจวายพระเวสสันดนโรโพธิสัตว์พินโยด้วยทานบารมีพระจินตสีอุบัติบังเกิดเลิดล้ำเรื่องรย ที่ทองจับพันรังสีพระเจ้าโบทสัตว์ทั่วโลกโลกิี่ขัมพลนทุกข์ขีพ้นด้วยบารมีอเนกนันต์ตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัต น, บนาบรรลังพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภาวแก้วข้ามด้วยสัมภาวทองนำสัต